วันนี้เป็นวันสุขร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช 2,567 เป็นวันพระวันธรรมสวัสวิวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัท ผู้ฝ่ายทมได้ให้หยุดภารกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้เอาเวลามาบำบัดทุกบํารุงสุขให้แก่จิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายเพราะร่างกายเป็นของชั่วคราว อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็จะต้องสิ้นสุดลงแต่ใจนี้เป็นของไม่ตายใจอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะอยู่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าได้รับการดูแลได้รับการบำบัดทุกบำรุงสุขในขณะที่มีชีวิต อยู่หรือไม่ถ้าโมาเอาแต่เวลาไปให้กับการเลี้ยงดูร่างกายและเลี้ยงดูกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไม่ให้เวลากับการมาเลี้ยงดูจิตใจเลยจิตใจก็จะเป็นเหมือนคนที่ขาดอาหารคนพร้อม คนไม่มีเรี่ยวแรงคนคนที่พร้อมคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสุข <c oughs> มีแต่ความทุกข์ใจนี้ก็เป็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งเรามีสองคนด้วยกันเราไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเรามีจิตใจด้วย จิตใจกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนพี่น้องจิตใจนี้เป็นพี่ร่างกายนี้เป็นน้องถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะคิดว่าเรามีเพียงคนคนเดียวที่เราต้องคอยดูแลเลี้ยงดู ก็คือร่างกายเราก็จะไม่ได้มีการดูแลจิตใจจิตใจของเราก็เลยกลายเป็นคนที่ขาดแคลนความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอดยากมีแต่ความหิวโหยไม่มีความสุขร่างกายนี้ ได้รับการดูแลจนกระทั่ง <c oughs> มีปัญหาตามมาในยุคนี้ยุคก่อนนั้น <c oughs> การทำมาหากินไม่ค่อยสะดวกคล่องแค่ว <c oughs> เหมือนสมัยนี้ <c oughs> สมัยนี้อาหารการกินนี้สะดวกหาซื้อหากินได้อย่างมากมาย <c oughs> จึงทำให้คนสมัยนี้เป็นคนที่มี น้ำหนักเกินกันเป็นคนที่อ้วนกันไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนั้นอยู่แบบยากลาบากข้าวปลาอาหารก็เป็นของที่หายากไม่หาได้อย่างสะดวกง่ายดายเหมือนยุคนี้สมัยนี้คนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีคนอ้วนกัน มีแต่คนผอมกันแต่สมัยนี้มีอาหารการกินที่สะดวกที่หาได้อย่างง่ายดายกินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมีร้านขายอาหารร้านขายของซื้อของกินของใช้เปิดตลอด24ชั่วโมงคนจึงเป็นคนที่มีร่างกายที่ใหญ่โต น่าใหญ่เกินไปจนกลายเป็นคนอ้วนไปแล้วก็กลายเป็นปัญหาตามมาเพราะเมื่อมีน้ําหนักเกินร่างกายก็จะเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาเช่<ม>นโรคเบาหวานโรคความดัน<ม>โรคไขมันอุดตันเป็นต้น<ม>โรคหัวใจเพราะว่า มีการให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูร่างกายกันจนมากเกินไปเกินความพอดีเพราะไม่รู้ว่ามีสิ่งอื่นที่จะต้องดูแลด้วยก็คือจิตใจจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ ต้องการการบำบัดทุกข์และบำรงสุขเหมือนกับร่างกายแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องของการบำบัดทุกข์บำรงสุขของจิตใจและไม่เห็นความสำคัญจึงมีแต่ร่างกายที่สมบูรณ์อิ่ม ร่างกายที่ใหญ่โตแต่มีจิตใจที่อดอยากผอมแห้งแรงน้อยมีจิตใจที่มีความทุกข์คอยครอบงำอยู่เรื่อยเพราะขาดการดูแลจิตใจนั่นเองแต่สำหรับคนที่ ได้เรียนรู้จากข้อธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือคอยดูแลรักษาจิตใจควบคู่กับการดูแลรักษาร่างกายก <c oughs> ็จะได้จิตใจที่มีความอิ่มความสุขมีจิตใจที่มีกําลัง มีจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือหน้าที่หรืองานที่พทธเจ้าได้ทรงว่าไม่ให้กับชาวพุทธเราให้เรามาดูแลจิตใจด้วยอย่าดูแลเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวจิตใจนี้สาคัญกว่าร่างกายความสุขความทุกข์ ของใจนี้มันหนักหนาสาหัสมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายความสุขความความสุขของร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาทําให้ความทุกข์ของใจหายไปได้ในทางตรงกันข้ามความสุขของใจนี้ จะทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นความเป็นเรื่องเล็กน้อยไปได้ mm. ใจที่มีความสุขนี้จะไม่ค่อยทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกาย mm. แต่ในทางตรงกันข้ามร่างกายที่มีความสุขแต่จะไม่สามารถใช้ความสุขของร่างกายนี้ ไปยับยังหรือไปทำให้ความทุกข์ทางใจนี้ไม่มากระทบกระเทือนใจได้เลย น, นี่คือสิ่งที่ด้วยความสำคัญของใจความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของร่างกายความทุกข์ของใจก็มีน้ำหนักมากกว่า ความทุกข์ของร่างกายต่อให้เราเลี้ยงดูร่างกายให้มันสุขอย่างมากมายขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งมันก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันจะต้องเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและเกิดความตายขึ้นมาเวลาเวลานั้น ผู้ที่จะเดือดร้อนมากที่สุดไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะเดือดร้อนก็คือใจใจเชื่อจะทุกข์ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับความตายของร่างกายถ้าใจไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะเดือดร้อนมาก กับความเป็นไปของร่างกายแต่ถ้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับความตายของร่างกายเลยดังนั้นความสุขของเรา นั้นไม่ได้อยู่ที่เพียงแต่ทําให้ร่างกายมีความสุขเท่านั้นความสุขมันอยู่ทั้งที่ร่างกายและอยู่ที่จิตใจร่างกายเราก็ดูแลให้มันมีความสุขด้วยปัจจัยสี่ด้วยอาหารด้วยเครื่องนุ่งหม่มด้วยที่ว่าศัยด้วยยารักษาโรคอันนี้คือสิ่งที่จําเป็น ต่อการที่จะรักษาให้ร่างกายนั้นไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนให้ร่างกายมีความสุขตามสัตภาพของร่างกายแต่ปัจจัยสี่ก็ไม่สามารถที่จะมาป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ ร, ร่างกายถึงแก่ความตายได้ต่อให้มีอยู่ในปราสาราชวัง ต่อให้มีเงินทองสื้ออาหารซื้อยาซื้ออะไรต่างๆมาบํารุงเลี้ยงดูร่างกาย <c oughs> มากมายขนาดไหนก็ตาม <c oughs> ร่างกายก็จะต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยและเจอกับความตายอยู่ดี <c oughs> จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสียเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไป เลี้ยงดูร่างกายขอให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขก็พอไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารที่มีราคาแพงแพงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เสื้อผ้าที่มีราคาแพงแพงไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงแพงไม่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่โรงพยาบาลที่มีราคาแพงแพง เพราะว่าถึงเวลาแล้วเวลารัางกายมันจะตายไม่มีเงินทองที่จะยับยั้งความตายได้ซื้อยาซื้อหมอซื้อพยาบาลอะไรมาก็จะยับยั้งความตายไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจ <c oughs> <c oughs> ึงไม่ควร <c oughs> เสียเวลาให้กับการเลี้ยงดูบำบัดทุกบำบุงสุด ข, ของร่างกายมาก เกินความพอดีร่างกายนี้ต้องการปัจจัยสีในลักษณะความพอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็จะได้ไม่มาเป็นภาระหนักให้กับใจเพราะผู้ที่ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายก็คือใจนี้เอง ใจมัวแต่ไปเลี้ยงดูร่างกายจนไม่มีเวลาที่มาเลี้ยงดูตนเองร่างกายอยู่อย่างอิ่มนี้พีมัน <c oughs> แต่ใจนี้อยู่อย่างอยู่อย่างเครียดอยู่อย่างทุกข์เพราะต้องมาคอยวิตกคอยกังวลกับคอยบำบัดทุกข์บำบัดสุขให้กับร่างกายมากจนเกินไป ถ้าเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้เราต่อให้เราเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตามมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเพราะเราจะได้เอาเวลานี้มาเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วย เพื่อให้จิตใจของเรานี้อยู่อย่างมีความสุขและไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายถ้าเราได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>เราก็จะได้มาทําให้ใจของเรานี้ มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ความทุกข์ของใจนี้เราสามารถกำจัดได้และความสุขของใจนี้เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆในใจหายไปและให้ใจมีความสุขตลอดเวลา คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับใจเป็นหลักส่วนการเลี้ยงดูร่างกายบำบัดทุกข์บำรงสุขของร่างกายเพื่อทำไปตามเท่าที่จําเป็นก็พอเพราะธรรมชาติของร่างกายนี้มันจะต้องไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายด้วยกันทุกคน ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็จะต้องไปเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายด้วยกันทุกคนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายให้มันเกินความพอดีของมันดูพอให้มันอยู่ได้ไปวันวันหนึง่งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมไม่หิวจากการขาดอาหารขาดสิ่งที่จาเป็นก็พอแล้ว เพื่อที่เราจะได้มีเวลามา <c oughs> ให้กับเลี้ยงการดูแลจิตใจ <c oughs> ที่จะอยู่ต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตาย <c oughs> แต่จะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบสุขหรือจะอยู่แบบทุกข์เท่านั้นเอง <c oughs> ถ้าศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อไปจิตใจก็จะอยู่แบบสุขปราศจากความทุกข์เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระอรหันตสาบกทั้งหลาย mm hmm. ท่านดูแลจิตใจ mm hmm. ด้วยและดูแลร่างกายด้วยแต่ร่างกายท่านก็ดูแลพอให้มันอยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอเ mm hmm. พราะรู้ว่าดูแลให้มันดีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร และจะทำให้มากลายเป็นภาระสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ถ้าไปคอยดูแลร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตาย mm. ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ mm. ทำไปก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ mm. จะทำให้เกิดความเครียดทางใจเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาได้ อานก็เลยเลี้ยงดูร่างกายพอให้อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็พอ<ม>การเลี้ยงดูร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระสาวกของพระภิกษุที่มาบวชนั้นก็เลี้ยงดูแบบมากน้อยสันโดษ<ม>พออยู่พอกินไปวันวันหนึ่งก็พออาหารก็กินวันละมื้อได้จากการบินทบาน ไปรับของจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะบอยจากให้ไม่จูทจี้จุกจิตไม่เลือกว่าจะต้องกินอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้กินให้มันอิ่มท้องก็พอไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ได้กินเพื่อดับความหิวไปวันวันหนึง่งแล้วก็กินมื้อเดียวก็พอร่างกายไม่ต้องการอาหารมากไปกว่ามื้อหนึ่ง กินมื้อหนึ่งนี้ก็อยู่ได้ไม่มีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดต่อร่างกายส่วนอย่างอื่นเครื่องนุ่งห่มก็มีสำรับหนึ่งก็พอมีผ้าไตายหนึ่งหนึ่งสำรับหนึ่งชุดก็พอมีผ้าสามผืนก็พอและก็การใช้ผ้าก็ใช้แบบใช้ของฟรี คือไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าที่เขา ห, อห่อศพไว้หอศพเน่าเปื่อยไปหมดแล้วผ้าก็สามารถเอามาซักย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรห่มได้ไม่ต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทางเพื่อมาซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาซื้ออาหารที่อยู่อาศัยก็ให้ไปอยู่ตามป่า ตามเถาตามเงื้อผาตามถ้ำคือให้ใช้ของฟรีพระพุทธเจ้าฉลาดอย่าไปใช้ของที่จะต้องเสียเงินเพราะต้องถ้าต้องใช้ของเสียเงินก็จะต้องต้องไปหาเงินต้องต้องไปทํางานหาเงินแล้วเมื่อไปทํางานหาเงินก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อมาปลดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปเพื่อสร้างความสุขให้กับใจ การดูแลจิตใจนี้จาเป็นที่จะต้องใช้เวลามากกว่าการดูแลร่างกาย อ, อันนี้ท่านก็เลยพยายามใช้การเลี้ยงดูร่างกายแบบง่ายที่สุดแบบที่จะไม่ต้องใช้เวลาก็ให้ใช้ของฟรีอาหารก็ไปขอจากชาวบ้านาไปบินทบาทโปรดสัตว์แต่ว่าไปขอก็ไม่เชิงไปโปรดสัตว์คือ ไปเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะทำบุญผู้ที่อยากจ ะ, ะได้รับอ น, นิสงค์จากการทำบุญคือท ถ, ถ้าทำบุญตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายกับร่างกายก็จะได้มีอาหารติดตัวไปอาหารทิพติดไปบุญนี้แหละคืออาหารทิพที่จะคอยเลี้ยงจิตใจนรดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายก็คืออยู่ในสวรรค์ น, นี่เองกปิออโอกาสให้ผู้ที่มีจิศตศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศล ม, มีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลว่าเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงดูจิตใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะได้มีโอกาสได้ทำบุญท่านก็จะถือบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ไม่ไปรบกวนใครไม่ไปขออะไรจากใครเพียงแต่มาปรากฏให้รู้ว่าถ้าใครอยากจะทำบุญก็ทำได้ด้วยการให้อาหารที่มีอยู่เหลือเฟือเช่<ม>นเราทำกับข้าวกินข้าวทำอาหารเราก็สามารถแบ่งอาหารส่วนหนึ่งให้กับการทำบุญทำทานได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายพระก็จะได้รับอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายฝ่ายผู้ให้คือญาติโยมก็จะได้บุญได้ไปสวรรค์หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <S 1> <S 1> <S การบินรบาดนี้จึงเป็นการโปรดสัตว์ <S <S 2> <S 2> เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะได้ทําบุญได้มีโอกาสได้ทําบุญได้ง่ายเพราะว่ามีผู้มารับบุญ ถึงหน้าบ้านเลยแม้จะเป็นที่จะต้องออกเดินทางไปถึงที่วัดไปที่ที่ทำบุญที่ต่างๆก็จะเป็นการสะดวกเพราะว่าญาติโยมยังต้องมีภารกิจการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่บางทีก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆได้ถ้ามีผู้ที่สมควรต่อการ ทำบุญก็คือพระภิกษุหรือนักบวชที่ทรงศีลทั้งหลายท<ม>่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่ได้ไปสร้างความเสียหายไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะท่านตั้งอยู่ในศีลและธรรมไม่เบียดเ บ, บียนผู้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติิประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆการที่ทำบุญกับ พระนักบวชนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดโทษแก่ผู้ใดกลับจะเกิดคุณเกิดประโยชน์เพราะพระนักบวชเหล่านี้หลังจากที่ท่านได้บวชแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็จะได้บรรลุธรรมได้รู้ความจริงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของสัตว์โลกว่าเป็นอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรจะ ก็จะทําประโยชน์ให้กับโลกได้ต่อไปดั <Yeah. S 1> งนั้นการที่การทําบุญทําทานกับนักบวชกับผู้ทรงศีลกับผู้ทรงธรรมนี้ยังมีคุณมีประโยชน์มีอ น, นิสงส์มากต่อโลกต่อสัตว์โลกต่อผู้ที่ทําบุญด้วยเพราะผู้ที่ทําบุญเมื่อได้มีโอกาสก็จะได้ไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาไปถามเรื่องราวต่างๆที่ไม่เข้าใจ เรื่องการเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องมักผลนิพพานว่ามีจริงหรือไม่เป็นอย่างไรก็จะได้เรียนรู้เรื่องที่เป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนทั่วไปเพราะเป็นวิชาที่ไม่มีการสั่งสอนในโลกในโลกคือหมายถึงโลกของโลกของผู้คองเรือนอยู่ เรื่งของเรียนก็จะเรียนวิชาการค้าธรรมาค้าขายหาหากินต่างๆวิชาวิชาการต่างๆที่ทางโลกเขาเรียนกันก็เพื่อเอามาบําบัดทุกข์บำรงสุขให้กับร่างกายแต่เขาจะไม่มีวิชาที่จะเอามาใช้ในการบําบัดทุกข์บํำรงสุขของจิตใจก็คือวิชาธรร ม, มก็จะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาจากพระที่เป็นนักบวช และพู้โดยเฉพาะผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว<ม>ก็จะเป็นผู้ที่จะให้ความกระจ่างต่อเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกได้<ม>และก็อาจจะทำให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา<ม>ได้ได้เรียนรู้แล้วเกิดศรัทธา<ม>ก็อยากจะปฏิบัติตามก็ได้<ม>ก็อาจจะออกบวชต่อไปก็ได้ออกไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรม จนในที่สุดก็จะได้บรรลุธรรมขึ้นมาแล้วก็จะได้กลายเป็นที่พึ่งของผู้ที่ไม่รู้ธรรมต่อไปนี่คือการบินทบาทการเลี้ยงการอยู่ของนักบวชการเลี้ยงดูร่างกายของพระในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกให้ใช้ของฟรีปัจจัยสี่อย่าไปใช้ของที่ต้องเสียเงินเพราะถ้าถ้าต้องเสียเงินก็ต้องไปหาเงินมามาซื้อของเหล่านี้ เมื่อต้องไปซื้อเมื่อต้องไปหาเงินเพื่อมาซื้อของเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองพ mm hmm. ระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุนี mm hmm. ้หาปัจจัยสี่คือหาของของฟรีไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ต้องไปซื้อมาอาหารก็ไปโปรดสัตว์บินทบาย mm hmm. ถ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้ใช้น้อยที่สุด เทาที่จําเป็นก็หนึ่งชุดก็พอผ้าตายหนึ่งชุดคือผ้าสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งชั้นหนึ่งผืนและผ้าห่มสองชั้นส อ, อีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนด้วยกันก็พอเพียงกับเครื่องนุ่งห่มของนักบวชแล้วที่อยู่อาศัยก็ไปอยู่ตามโคนไม้ไปอยู่ตามเงื่อมผาไปอยู่ตามถ้าหรือไปทํากระต๊อบ แบบง่ายๆทำจากกิ่งไม้ใบไม้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยารักษาโรค ก, ก็ให้ใช้น้ำมูดน้าปัสสาวะดองพวกผลไม้เช่นพวกสมอเป็นยาดองทำเป็นยาดองเพื่อมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ให้ใช้ของฟรีๆทั้งนั้นให้ของอย่างอื่นอะไรก็ให้หัดทำเอาเอง อาจีวอนก็ให้ตัดเย็บกันเองไม่ให้ไปไปจ้างคนอื่นเข้ามาทำเพราะพระสมัยก่อนไม่ใช้เงินใช้ทองจริงๆไม่รับเงินรับทองจริงๆอยู่กันแบบว่าไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่อาศัยเงินทองเพราะถ้าอาศัยเงินทองแล้วเดี๋ยวพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนแล้วก็จะต้องไปหาเงินทองต้องไปทำมาหากินหาเงินทองมา มันก็จะทำให้การปฏิบัติทำช ง, งักลงได้สงบ ส, สะดุดลงได้ะนั <Okay. S 1> ้นพระพุเจ้าจึงสอ ง, สองสอนให้พระภิกษุในพระพุทธศาสน า, านี้ใช้ของฟรีกัน <Okay. S 1> อาหารก็บินทะบาลผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าหรือเศษผ้าที่เขาทิ้งตามถังขยะก็ได้กองขยะเ <Okay. S 1> อามา เอามาอามาซักเอามาย้อมเอาม า, ม า, มาตัดเอามาเย็บได้ถ้าผ้ามันไม่ไม่ถึงกับขาดมากจนเกินไป<ม>ก็เอาส่วนที่มันดีมาส่วนที่มันขาดก็ตัดทิ้งไปได้มาปะมาเย็บมาทําให้เป็นผ้าเป็นผ้าผืนใหญ่เป็นผ้าผมขึ้นมามมนี่คือการเลี้ยงดูของผู้ที่ต้องการที่จะให้เวลากับการดูแลบําบัดทุกความรุนสุกแก่จิตใจ อย่างเต็มที่เพราะการที่จะบำบัดทุกความลงสุขให้แก่จิตใจนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลามากมากยิ่งกว่าการเลี้ยงดูร่างกายหลายเท่าด้วยกันแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลี้ยงดูจิตใจก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการเลี้ยงดูร่างกายหลายหมื่นหลายแสนเท่าด้วยกันเพราะจิตใจนี้ไม่มีวันตาย แล้วถ้าจิตใจได้รับการยิ่ยงดูอย่างสมบูรณ์แล้วจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความสุขไปตลอดเวลาเช่นจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระหัานตัสาวกเนี่ยเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยบรรมรุสุเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่ไม่เสือ่อมไม่มีวันหมดมแต่ความสุขทางร่างกายนี้มันก็ อยู่ได้เท่าที่อายุไขของร่างกายเท่านั้นและในขณะที่ร่างกายมีมีความสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ชราไม่ตายเท่านั้นเองนะเท่านั้นถ้าเข้าสู่ความชราส่องสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายนี้ร่างกายนี้แทบจะไม่มีความสุขลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว เพราะฉะนั้นความสาคัญการเลี้ยงดูร่างกายจึงไม่สาคัญเท่ากับการเลี้ยงดูจิตใจเวลาที่ควรจะให้กับการเลี้ยงดูจิตใจนี้ต้องให้มากกว่าการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายนี้ก็เลี้ยงพอให้มันอยู่ได้ก็พอถ้าอยากจะใช้ใช้เอาแบบอย่างของพระพุทธเจ้าญาติโยมก็พยายามใช้ของที่ถูกที่สุด응 ถ้ามีของฟรีก็ใช้ของฟรีไปถ้าไม่มีของฟรีก็ใช้ของที่ถูกที่สุดแต่ทำหน้าที่ได้เหมือนกับของที่มีราคาแพงๆเช่ <c oughs> <c oughs> นบ้านที่มีราคาแพงๆราคาเป็นเป็นร้อยล้าน <c oughs> <c oughs> กับบ้านเช่าเดือนละพันสองพันมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันมันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยให้กับร่างกายได้เท่ากันท้ง <c oughs> พระพุทธ เ, เจ้าจึงทรงสอนเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่นี้ให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษให้ใช้ของที่ถูกที่สุดน้อยที่สุดใช้ให้น้อยที่สุดถูกที่สุดหรือถ้าถ้าน้อยก่ถ้าน้อยก่านั้นคือหาหาไม่ได้เท่าที่ต้องการก็ให้ดีตามมีตามเกิดหาได้ไม่พอก็ให้พอใจกับสิ่งที่หามาได้อยู่ไปตามมีตามเกิด องแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามากต่อการมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะได้เอามีเวลามาให้กับการเลี้ยงดูจิตใจที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าได้เลี้ยงดูจิตใจจนถึงขั้นสูงสุดแล้วงานเลี้ยงดูจิตใจก็จะได้สิ้นสุดลงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูจิตใจอีกต่อไป การเลี้ยงดูจิตใจนี้มีจุดมีจุดสิ้นสุดคือจุดสิ้นสุดก็คือการบรรลุถึงพระนิพพานจากการเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปเลี้ยงดูร่างกายอันใหม่ไปอีกเรื่อยๆเพราะใจยังไม่ไปถึงจุดที่สูงสุดของใจคือ นิพพานใจก็ยังจะมีความหิวโหยมีความอยากที่จะหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แล้วพอเกิดมาแล้วได้น่างกายอันใหม่ก็จะต้องมาเลี้ยงดูร่างกายอันใหม่ต่อไปอีกเลี้ยงไปจนถึงวันตายตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปหาน่างกายอันใหม่มาเลี้ยงอยีกที้ เพราะว่าไม่ได้เอาเวลามาเลี้ยงดูจิตใจให้จุดใจถึงให้จิตใจถึงจุดที่อิ่มที่สุขที่พอนั่นเองจิตใจไม่ได้รับการเลี้ยงดูดูแลปล่อยให้จิตใจหิวโหวยกับการไปหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาแบกภาระในการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกิ่รสโผฏภพชนิดต่างๆต่อไปก็หาอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เราเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ก็คือเพราะว่าเราไปหลงรักร่างกายหลงอาศัยร่างกายหลงใช้หลงคิดว่าความสุข ของเรานี้อยู่ที่การมีร่างกายเพื่อที่เราจะได้เอาน่่งกายนี้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มี่ในโลกนี้นั่นเองซึ่งความจริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขแบบอิ่มแบบพอมันให้ความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดียวเดียวมันก็จางหายไปความสุขที่ได้มาพอมันจางหายไปมันก็ทำให้ใจ รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกอยากจะหาความสุขใหม่ก็ต้องไปคอยหาความสุขผ่านทางตาหูจมุกนิ้นกาอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอหาไปจนวันตายความอิ่มความพอก็ยังไม่เกิดความหิวความอยากก็ยังมีอยู่ในใจต่อไปความหิวความอยากนี่แหละความความไม่อิ่มไม่พอของใจนี่แหละที่เป็นตัวที่ให้ไป หมพาให้ใจไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายในการหาความสุขต่อไปอีกมันก็จะเป็นรูปแบบเดิมเพราะความหลงเพราะความไม่ฉลาดเพราะความไม่รู้ว่าวิธีที่จะหาความสุขให้กับใจแบบอิ่มแบบพอนี้หาอย่างไรนั่นเองต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ว่า วิธีที่จะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอทําให้ใจเราปราศจากความทุกนี้เกิดจากการปฏิบัติทำสามข้อด้วยกันหรือ<ม><ม>สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสิ้ว่าการที่จะทําให้ใจนี้ได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกขได้พบกับความสุขความอิ่มความพอ ที่จะทำให้ใจไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี้ต้องทำอะไรบ้างพร<ม>ะุจาก็ส่งคนเพราะว่าต้องทำสามอย่างด้วยกัน<ม>ข้อหนึ่งก็คือต้องละ ก, การกระทบาบาปทั้งปวง<ม>เพราะการกระทำบาปนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจ<ม>สองให้ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม พ่อบุญกุศลนี่แหละเป็นที่จะทําให้ใจนั้นมีความสุขเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจมีความสุขทําบุญทําทานนี้ใจก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ข้อที่สามให้ชําระให้ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเพราะกิเลสตัณหาเนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจหิวทําให้ใจอยากทําให้ใจไม่อิ่มไม่พอทําให้ใจต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ ถ้าต้องการทําให้ใจอิ่มทําให้ใจพอไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป<ม>ก็ต้องกาจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเท<ม>่านั้นเองพระพุทธเจ้าได้กระทำการกระทําทั้งสามข้อนี้มาแล้วได้มาพิสูจน์แล้วว่านี่แหละคือวิธีบําบัดทุกข์บำรงสุขให้กับใจที่จะทําให้ใจนี้อยู่อย่างปราศ จ, จากความทุกข์ ให้ใจอยู่กับความสุขอย่างยังย่งยืนถาวรไปตลอดให้ใจมีความอิ่มความพอที่จะทําให้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่การที่จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมสามข้อนี้ก็ต้องเอาเวลามาจากการที่เราไปดูแลร่างกายเกินความจําเป็นนั่นเองมากเกินไปอ พราพุทเจ้าถึงส่งสอนให้พระภิกษุใช้ปัจจัยสี่แบบง่ายแบบเรียบง่ายแบบที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินใช้ทางใช้ของฟรีอันไหนใช้ฟรีหาฟรีได้ใช้ของฟรีไปอันไหนหาเองไม่ได้ก็ไปบินสบาย <c oughs> ไปบินสบายแต่ไม่ไปรบกวนไม่ไปขอไม่ไปเรียออะไรปล <c oughs> ่อยให้เป็นกรัทธาเพียง <c oughs> แต่แจ้งให้ทราบว่ากำลังขาดแคนอะไร เส้นนี้อยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งยุคใหม่ๆตอนที่พระเจ้าประกาศพระธรรมคําสอนยุคใหม่ๆนี้มีคนมาบวชยังไม่มากก็สามารถไปเก็บผ้าในป่าชา้ามาทําผ้าจีวรมาประทานผ้าไตาไว้นุ่งห่มได้แต่ต่อมามีคนมีศรัทธามาบวชมากขึ้นมากขึ้นจํานวนคนที่มาบวชเป็นพระกับผ้าที่มีในป่าชา้ามันไม่พอแนละ้ว S <S พระก็เลยไม่มีผ้าครบสําหรับไม่มีผ้าไว้คอยเปลี่ยนเวลาเจอฝนเปียกผ้าผ้าเปียกก็ต้องนุ่งผ้าเปียกไปมีพระกลุ่มหนึ่งเดินทางมากราบพระพุทธเจ้าแล้วระหว่างทางก็ไปเจอฝนเข้าทําให้ผ้าจีวรเปียกหมดเลยก็เลยต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการห่มผ้าจีวรเปียกๆไปพระพุทธเจ้าเห็นก็เห็นก็สงสารและเข้าใจว่า ผ้ามันไม่พอเสียแล้วผ้าในป่าช้าที่เราเรียกว่าผ้าป่านี้มันไม่พอเสียแล้วเลยต้องบอกญาติโยมว่าช่วยเอาผ้ามาถวายให้กับพระบ้างผ้าตอนนี้ผ้าตอนนี้มีจํานวนมากผ้าป่าที่มีทิ้งไว้ในป่าช้าไม่พอใช้อันนี้คือที่มาของผ้ากระถิ่นเมื่อก่อนนี้ไม่มีการถวายผ้ากรถินเพราะว่ามีการใช้แต่ผ้าป่าผ้าป่ามีพอเพียง แต่ต่อมาเมื่อมีภาพมาบวชมากขึ้นมากขึ้น้าป่าช้าก็ไม่พอขาดตลาดใช่แล้วคนตายไม่มากพอเลยไม่มีผ้าไปห่มศพห่อสพไว้ก็เลยผ้าเลยไม่พอใช้ผ้าพ้าบางทีมีผ้าจีวรแค่ผืนเดียวพอไปเจอฝนเข้าเปียกเข้าก็ต้องห่มผ้าเปียกๆไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยต้องประกาศบอกญาติโยมว่า ในการถวายผ้าให้กับพระนี่เป็นบุญมากเป็นประโยชน์มากเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ขาดแคลนพระเดือดร้อนจริงๆเพราะไม่มีผ้าไม่คอยเปลี่ยนอันนี้ก็เลยมาที่มาเป็นที่มาของผ้ากรถิ่นแต่ก็ส่งห้ามว่าไม่ให้ให้มากเกินไปไม่ให้ต้องการให้พระต้องมาเสียเวลากับการมารับผ้าจากญาติโยมก็เลยกําหนดให้เวลาถวายผ้าให้เป็นเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเอง ระยะหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาไปแล้วคือเรียกว่าเ ว, เวลาที่ถวายผ้ากระถินมีเวลาสาสิบวันด้วยกันและแต่ละวัดนี้รับผ้าได้เพียงครั้งเดียวก็พอไม่ต้องการให้มีมากไม่ต้องให้มาเสียเวลากับการมารับผ้ามากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวญาติโยมก็อยากจะถวายผ้าก็ได้ยินว่าผ้ากระถิน่นมีบุญมากมีประโยชน์มากก็เลยอยากจะถวายแข่งกันถวาย เดี๋ยวผ้าก็เลยไม่ต้องทําอะไรมามัวแต่นับผ้ากรถินกันทั้งปีทั้งเอมันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมเพราะเจ้าเลยต้องกําหนดเวลาในการรับผ้าให้รับได้เพียงในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วก็ให้รับได้เพียงครั้งเดียวก็พอเ <Okay. S 2> พราะว่าผ้าผืนหนึ่งนี้เมื่อได้มาแล้วใช้นี้ใช้ได้อย่างน้อยปีหนึ่งสบาย <Okay. S 2> ไม่ขาดไม่มีปัญหาอะไร ไว้ปีหน้าแล้วค่อยหาใหม่ปีหนึ่งนี้เอาแค่าภาพเอาเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่พอ พ, พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็พอเอาแค่าภาพหนึ่งหนึ่งไกลหนึ่งสำนักหนึ่งชุดอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงขอหรือ บ, บอกให้ศรัทธาญาติโยมถวายให้แก่ให้แก่พระฟอบตอนนั้นมันเป็นสมัยที่มันขาดแคลน ส่วนเรื่องอื่นนี้มันเป็นเรื่องของศรัทธาของญาติโยมที่อยากจะถวายเองเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวัดอยู่มไม่มีกุฏิญาติโยมเห็นพระพุทธเจ้าไม่มีกุฏิไม่มีวัดก็เลยสร้างวัดถวายให้พระพุทธเจา้าสร้างกุฏิที่พักให้พระพุทธเจ้ากันสมัยก่อนนี้พระท่านอยู่ตามป่าตามเขาจริงๆะท่านอยู่ตามโคนไม้จริงๆท่านอยู่ตามถาม้ำตามเงื้อผาท่านไม่ต้องการที่จะไปรบกวนใคร และไม่ต้องการลบโกนตัวเองด้วยถ้าตัวเองต้องไปสร้างกุติสร้างที่อยู่อาศัยก็จะทําให้เสียเวลาก็จ ะ, จะได้เสียเวลาของการปฏิบัติไปพระในยุคก่อนจึงเป็นพระที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวัดไม่มีกุติไม่มีอะไรทั้งนั้นอันชอบอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ที่เงียบที่สงัดวิเวกเพราะเป็นที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเอง อันนี้ะคือเรื่องของนักปฏิบัติถ้าญาติโยมต้องการที่จะมาบำบัดทุกข์บำรงสุขของจิตใจญาติโยมก็ต้องเปลี่ยนวิสัยการอยู่การกินให้มาอยู่เป็นแบบมักน้อยสันโดษกันอยู่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พออย่าไปเสียเวลาให้มากเกินไปกับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะมันจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเลี้ยงดู มาบำ บ, บ, บ, บ, บัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่เก้เคยตัดสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้มีเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความหมายนี้แหละให้พอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมมาละการกระทําบาปทั้งปวง มาสร้างบุญสร้างกุศลและมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นนี้ก็มาเอาวันพระอาทิตย์หนึ่งก็ลองหาวันวันหยุดทํางานสักหนึ่งวันเสียสละเวลาที่เราเอาเวลาไปให้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลทรัพย์สมบัติข้าวของเองินทองอะไรต่างๆนี้หยุดมันสักหนึ่งวันแล้วก็ไปอยู่วัด ไปอยู่วัดแล้วก็เพื่อที่ไปรักษาศีลไปละการกะทําบาปแล้วก็ไปทำบุญวัาทาบุญทาบุญให้กับวัดตักบาทถวายทานือจะทำบุญแบบไหนก็สามารถทำได้เพื่อให้ใจมีความสุขแล้วก็มาชำระจิตใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถาภาวนาและวิปัสสนา พระษานี่แหละคือวันที่เราจะเอาเวลามาให้กับการมาบํำบัดทุกข์บำบัดสุขมาปฏิบัติตามแบบธบับที่พระพเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพเจ้า ก, ก็รักษาสี่งพระพุเจ้าท่านก็เรื่องของทานท่านก็ทํำไปหมดแล้วเงินทองที่ท่านมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ท่านมีท่านก็สล็จไปหมด ออมาเป็นนักบวชก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้าวของเงินทองก็ทรงสละราชสมบัติแล้วก็เอาเวลานี้มาให้กับการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติบาเพ็ญจิตตภาวนาอันนี้คือคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่ต้องการจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์มาเบียดเบียนจิตใจต่อไปต้องมาปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ข้อที่หนึ่งก็ให้เราละการกระทำบาปละการฆ่าสัตว์ลกทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูด ป, ป่ดเดื่มสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆด้วยเช่นการเล่นการพนันเป็นต้น ให้เรารักษาศีลห้าให้ได้ก่อนเมื่อรักษาศีลห้าได้แล้วเราค่อยไปเพิ่มเป็นรักษาศีลแปดเพราะเวลาที่เราจะบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เราจาเป็นที่จะต้องรังับกิจกรรมทางกามอารมณ์ทางกามคือางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดทุติภพเพราะถ้าเราเอาเวลาไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดทุติภพ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาทำใจให้สงบมาทำใจให้สว่างด้วยวิปัสสนาภาวนาเราจาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันมาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีลแปดเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนาทำใจให้สงบด้วยการฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ สอนใจให้จลาให้สว่างด้วยปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการพิจารณาธรรมที่พู้เจ้าทรงสอนให้พิจารณาอันนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องปฏิบัติอย่างอย่างเป็นเป็นรูปแบบคือเต็มเต็มเต็มเวลาตั้งแต่เติมขึ้นมาเลยโดยเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อทาจิตใจให้สงบนี้ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการภาวนาเพื่อทำให้ใจสงบก็คือสตินั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิไปจนวันตายใจก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะใจจะคิดไปเรือเ่อยเปื่อยคิดจนฟุ้งซ่านได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดนั่นเองงนั้นสิ่งแรกที่ต้องเจริญก่อนที่จะมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบก็คือการเจริญสติ การควบคุมความคิดคอยควบคุมความคิดคอยกัน้นคอยสกัดกัน้นความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปยื่อยให้ใจมาคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจเราแสดงว่าเรากำลังเจริญสติเรากำลังสร้างสติขึ้นมาเพื่อยับยัง้งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองเพราะถ้าเราอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธได้ ใจเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะใจต้องมาคิดเรื่องพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวนั่นเองนี่เป็นอุบายของการทําให้ใจหยุดคิดทําให้ใจมีสติไม่ไม่ลอยไปกับความคิดทำให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะการที่จะทำใจให้สงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันเพราะเวลาใจอยู่ในปัจจุบันนี้ใจไม่ต้องคิดใจเพียงแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้น แต่ถ้าใจไปอดีตใจก็ต้องคิดแนละ้วเพราะอดีตมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใจเป็นผู้คิดถึงมันเองอดีตความจริงมันผ่านไปแล้วมันหายไปแล้วแต่ใจเราเป็นผู้ที่ไปดึงมันกลับมาไปคิดถึงมันเองคิดถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันไม่มีอีกแล้วมันหายไปแล้วแต่เราก็ยังไปดึงมันกลับมาด้วยความคิดของเราด้วยความจาของเรา คิดถึงอดีตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ที่ตายจากโรคนี้ไปแล้วเขาไปแล้วเขาหายไปแล้วเขากลายเป็นศูนย์ไปแล้วแต่เราก็ยังดึงมาให้มาด้วยความคิดของเราด้วยความคิดความจําของเราอยู่ถ้าเราไปคิดถึงอดีตใจเราก็จะไม่นิ่งเพราะมันไม่หยุดคิดนั่นเองหรือถ้าเราไปคิดถึงอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงอนาคตมันก็อยู่ที่ข้างหน้านั่นตรงนี้มันยังมาไม่ถึง แต่เราไปคิดมันเราเราไปดึงมันมาเสียก่อนแนละ้วคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทําอะไรไปเจอใครอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้มันก็ต้องใช้ความคิดถ้ามันใช้ความคิดมันก็จะทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหยุดคิดให้อยู่ในปัจจุบันเช่นถ้าเราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับคําพุโทโธพุโทโธคําเดียวมันก็ไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาได้ต้อง พออยู่กับปัจจุบันไปสักพักหนึ่งเดียวพุทโธมันก็หยุดคิดเองเพราะมันไม่มีเรื่องราวที่ทำที่ทําให้มันต้องหยุดคิดพอมไม่มีเรื่องให้มันหยุดคิดพุทโธก็จะหยุดไปจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ทันทีเราะฉะนั้นต้องระวังเวลาเราจเจริญสติคอยดูว่าจิตเราไปอดีตหรือเปล่าหรือไปอนาคตให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวปัจจุบันก็คือพุทโธ หรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้อยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูร่างกายของเราตลอดเวลาร่างกายเรามันก็อยู่ในปัจจุบันเวลานั่งกายทำอะไรเราก็ทำไปกับร่างกายเวลารั่งกายเดินใจเราก็เดินไปกับร่างกายเวลารั่งกายยืนนั่งนอนก็ใจก็ยืนเดินนั่งนอนไปกับร่างกายเวลาร่างกายรับประทานอาหารใจก็รับประทานอาหารไปกับร่างกายให้อยู่กับร่างกายใจก็จะอยู่ในปัจจุบัน ใจก็จะไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไม่ได้เมื่อ mm. มันไม่คิดถึงอดีตไม่ถึงอนาคตเวลามันนั่งสมาธิมันก็จะนิ่งสงบด้วยการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราดูกายเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจเข้าออกแทนเพราะาลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายลมเข้าลมออกลมเข้าไปในร่างกายลมออกมาจากร่างกายก็ดูตรงจุดที่มันเข้าออกที่มันสัมผัสคือไป ในบริเวณปลปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาก็เฝ้าอยู่ดูดูอยู่ตรงนั้นให้ใจอยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเขาออ้าถ้าใจไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดปับ๊บเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วพอใจนิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วใจก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนจะเรียกว่าเป็นความสุข ข, ของท่านนิพพานก็ได้ พียงแต่ว่ามันเป็นความสุขนิบเป็นความสุขของพระนิพพานแบบชั่วข่าวเป็นความสุขชื่วเดี๋ยวเดีย ว, ยวชั่วขณะหนึ่งใหม่ๆนี้มันจะสงบเพียงแป๊บเดียวเวลาสงบแป๊บเดียวนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วมันก็จะเริ่มถอนออกมาแล้วก็เริ่มคิดเริ่มไปคิดถึงอดีตเริ่มไปคิดถึงอนาคตต่อไปถ้าเราต้องการจะนั่งต่อเราก็ต้องดึง ใ, ใจกลับมาให้อยู่กับพุโทโธต่อไปอยังไม่ต้องลุกขึ้นมาก็ได้ถ้าเรายัง มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสที่อยากจะลุกได้เราก็ใช้คำเรียการพุทธโธกลับมาพุทโธพุทโธต่อเพื่อให้ใจกลับเข้าไปในสมาธิต่อไปถ้าเรามีสติมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาแล้วใจก็จะกลับเข้าไปสู่ความสงบได้ต่อไปใจก็จะมีสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่าย ได้นานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะมีความสุขจากความสงบนี้เพราะมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะทำให้ต่อไปใจไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบใจก็จะสามารถเลิกเสบรื้อหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ เมื่อไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายอีกต่อไปพ อ, อร่างกายตายไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอีกต่อไปแต่ถ้าใจยังไปติดติดสมาธิอยู่ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าอนนาคามีเนยอนาคามีนี้จะตัดความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หมด ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้ายังไปติดความสุขของสมาธิอยู่ก็ยังจะต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมต่อไปถ้าไม่อยากจะไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องไม่ไปติดสมาธิไเวลาอยากจะเข้าสมาธิก็ไม่ต้องเข้าหยุดไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าสมาธิแล้วสมัยก่อนที่ต้องเข้าสมาธิเพื่อมายับยั้งความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แต่ตอนนี้ไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรดแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิถ้าไม่มีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดใจก็สงบเหมือนอยู่ในสมาธิอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิแต่ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ก็อาจจะมีบางเวลาที่ใจอาจจะไม่สงบบ้างสงบบ้างเพราะใจมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบทางใจอยู่ มีเรื่องราวต่างๆที่อาจจะมาทำให้ใจไม่สงบบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาก็ไม่ต้องหลบเข้าไปในสมาธิก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยว ม, มันเป็นของชั่วคราวมันสงบแล้วเดี๋ยวมันก็หายสงบได้มันหายสงบแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาสงบใหม่ได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้ทันทั้งเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหลบเข้าไปในสมาธิไม่ต้องไปทาใจให้สงบด้วยสมาธิต่อไปให้ทาใจให้สงบด้วยปัญญา ละความอยากที่จะอยากได้ความสงบอยากสมาธิไปพอตัดความอยากที่ได้ความอยากจะได้ความสงบจากสมาธิใจก็ไม่ติดในสมาธิก็ไม่ต้องไปเกิดในพรมโลกก็จะไปอยู่ที่นิพพานต่อทันทีใจตัดตัดความอยากได้หมดตัดการมาตัญหาได้ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรดแล้วก็มาตัดความอยากที่จะเข้ารูปประจานาลูปประจานได้พอตัดความอยากทั้งสามหมดไปแล้ว ใจก็ไม่มีอะไรที่จะดึงให้ไปเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่มีกามะตัณหาไปดึงให้ใจไปเกิดในกามะพบไม่มีรูปไม่มีความอยากในรูปประฌานให้ไปเกิดในรูปพบไม่มีความอยากในอรูประฌานให้ไปเกิดในอรูปพบใจก็เลยไม่ไปเกิดในตายพบใจที่ไม่เกิดในตายพบก็คือนิพพานนี่ใจที่เป็นนิพพานใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณกิเลสตัณหา ใจก็ต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะอยู่กับบัลลมสุขของพระนิพพานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดใจของผู้เจ้ากับใจของพระสาวกไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ในโลกที่เหมือนของเราเนี่ยเพียงแต่ไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่ในไตภพท่านไม่ได้อยู่ในการมาภพไม่ได้อยู่ในรูปภพเรื่องรูปภพอยู่นอกไตภพสถานที่อยู่นอกของไตภพนี้เรียกว่านิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด แต่บารมังสุขขังไปตลอดนี่คือภารกิจทางจิตใจที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะเป็นภารกิจที่ดีที่สุดและจำเป็นที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ทำภารกิจนี้ก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยจะต้องไปเกิดไม่มีร่างกายใหม่อยู่เรื่อย เมื่อมีร่างกายใหม่ก็ต้องไปทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายไปทุกขกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายของร่างกายไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเอาเวลามาเลี้ยงดูจิตใจมาบำบัดทุกข์บำบัดมุขให้กับจิตใจจนจิตใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความอยากต่างๆแล้วจิตใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด อ, อีกต่อไปทุกข์ก็จะไม่มีออต่อไป อันนี้คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวารวาหาปุราปริปุเรนติสากรัมเอวเมวะอิตุจินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวะสุมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยตามณิโชติอราโสยตาสพิเตโยวิวัชฌันโตสัพพะโรโวินัสสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขิติคายุโกผวะอาพิวะธนสิลิสานิจังหุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานเตอายุวันุสุขังฮาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงฐานตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยววันนี้มีคุณเดี๋ยวถามเดี๋ยวดูวันว่าผู้ติดตามกี่คนน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 375 y o u เจ b e หพระอาจารย์สุชาติ337 y o u t ส b e สิบเจดดรว65ิวิทยูออนไลน์10ครับ h ฮ u s ์8 ผู้รับฟังหน้ากุติหนึ่งร้อยสามสิบแปดรวมเก้าร้อยสามสิบสามท่านเจ้าค่ะโอเคยาโยมอยากจะถามก่อนนกลับมางานนรมสการค่ ะ, ะาอาจารย์ค่ะโยมวิลัชนีจากเยอรมันค่ะที่ผ่านมายมปฏิบัติตลอดค่ะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าซูมมันตรงกับเวลาทำงานที่เยอรมันค่ ะ, ะแล้ว สิ่งที่เป็นก็คือจิตยมตื่นตลอดเวลาเลยค่ะตอนนอนกายมันนอนแต่จิตมันตื่นมันรู้หมดเลยเราพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็เหมือนมันเป็นสมาธิตลอดเวลาค่ะทั้งวันจะตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นแล้วตอนที่เวลาที่จะปฏิบัติได้ดีคืออี่ไยบทนอนค่ะเพราะว่ามันตื่นยมไม่ได้นอนด้วยแล้วช่วงที่ตื่นเนี่ยแหะคะยมเข้าไปเหมือนกับรู้สภาวะหนึ่งที่ มันไม่มีชื่อมันไม่มีคำอธิบายในตอนที่ยมรู้เลยค่ะว่ามันคืออะไรไม่มีแม้แต่เสียงไม่มีอะไรเลยค่ะยมรู้แต่ว่ายมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนี้คืออะไรคะท่านพระอาจารย์ความว่างี้ความว่างก็ดีเราไม่ไม่รู้ไม่ไมีอะไรให้รู้ก็ดีแต่แว่ารู้ไปค่ะแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่โยมจะการเดินถามก็คือคนเราสามารถเห็นอสุภะได้ด้วยตาเปล่าได้ไหมคะเขาต้องใช้ตาเปล่าต้องดูตาเปล่าก <c oughs> ่อนแล้วให้มนเข้าไปในใจแล้วต่อไปก็นึกนึกของผ่านทางใจได้หมายถึงว่าโยมจะเข้าใจมาตลอดว่ามันจะต้องจิตเป็นสมาธิก่อนมันถึงจะเห็นภาพนิมิตต่างๆเหล่านั้นขึ้นมา อ, อะไรอย่างเนี้ไม่เกิดจากสมาธิหร อ, อรมันเกิดจากการที่เราไปศึกษา เราไปศึกษาดูอวัยวะต่างๆของร่างกายไปดูเขาผ่าศพอย่างี้จะได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในพอนเราเห็นแล้วเราก็มันคิดบ่อยๆให้มันจำได้แล้วต่อไปเราก็เวลานึกถึงอาการสารทสองมันก็จะโผล่ขึ้นมาในใจเราตอนนั้นน่ะถ้าถ้าเกิดชาติก่อนเราเคยพิจารณาสุภาพมาแล้วพอชาตินี้ถ้าเรามานั่งสมาธิจิตสงบมันก็จะผลขึ้นมาได้ แต่ถ้ามันไม่โผล่ก็แสดงว่าเรายังไม่เคยพิจารณามาก่อน ค, คื อ, ค, อคือที่โยมเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบต า, เ, าเปล่าๆเราเห็นในสภาพอย่างนี้เลยเพะแสดงว่าเราเคยเราก็เห็นมาแล้วมันอยู่ในใจแเราเพอจิตสงบมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วแล้วยมจะแน่ใจได้ยังไงครับสําสคัญมันไม่ได้จำเป็นจะเห็นตอ น, นั้นต้องเห็นตอนที่เราเกิดกามอารมณ์ถ้าเราต้องถือศีลแปแล้วต้องไปอยู่นอนคนเดียวอย่างนี้ วเวลาเกิดการมารมขึ้นมาเราก็ต้องใช้อสุภาษณ์นี้มาดับการมารมได้ะแล้วยมจะแน่ใจได้ยังไงคะว่ายมยมไม่ติดสมาธิคะท่านอาจารย์นนเพราะว่ามันเป็นตลอดนะคะตลอดเวลาเลยค่ะก็เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาทางปัญญาพิจารณาสุภาษพิจารณาอาการะและความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สมาธิก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณา เพื่อที่เราจะได้ไม่ติดแต่ตอนนี้ถ้าเรายังต้องใช้สมาธิเป็นที่เพิ่งเราก็ใช้ไปก่อนได้ไม่เสียหายทงานับ <ฮะ S 1> ต, ตอนนี้ถ้าเรายังตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไ ม, ไ, ไม่ได้เวลาเกิดความอยากวันนี้เราก็เข้าไปในสมาธิหรือใช้กาลังของสมาธิมาสู้กับความอยากได้ <ฮะ S 1> แต่พอเราไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหลืออยู่แล้วหน้าที่ของสมาธิกม็มันก็หมดไป เราก็ไม่ต้องไปเครื่องมันเหมือนโยมจะคือเวลาพิจารณาใช่ไหมคะพอทาไปแปบ๊แปบๆมันก็จะมันก็ไม่อยากจะพิจารณาค่ะมันก็จะไปรวมเป็นสมาธิเหมือนเดิมอะค่ะก็ต้องบางครั้งหนึ่งแล้เราต้องรู้ว่าเราตอนนี้กำลังทำอะไรถ้าเรากำลังทำสมาธิก็ไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาเลยแต่ถ้าเวลาที่เราต้องการปัญญาเราต้องพิจารณาต้องพิจารณาบ่อยๆให้มันชานาญ เพื่อต่อไปเวลาที่เราต้องการจะใช้มันมันจะได้มาได้ทันทีค่ะเนะพราะท่านพระอาจารย์เคยเตือนโยไมไว้ว่าอย่าให้พิจารณาเยอะๆค่ ะ, คะตอนนะค่ะก็เอามาเอามาพิจารณาตอนที่เราเดินจงกรมตอนที่เราไม่ได้นั่งในสมาธิค่ะแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาแลค่ะคือตอนน้องยังต้องใช้สมาธิสลับกับปัญญาอยู่เพราะสมาธิเป็นที่พักของใจส่วนปัญญานี้เป็นที่ให้ความรู้กับใจ มันก็ต้องมีทั้งสองอย่างแต่สลับกันเวลาพิจารณาทางปัญญาไปสักระยะใจอาจจะเหนื่อยอยากจะหยุดพักก็เข้าไปในสมาธิได้ <คะ S 1> แต่ถ้ายังไม่เหนื่อยพิจารณาได้แป๊บเดียวแล้วขี้เกียจไม่อยากพิจารณาก็ต้องบังคับเป็นพิจารณาไปเรื่อยๆ <คะ S 1> หาวิธีหลอกให้มันเกิดความสนใจขึ้นมาให้ได้ดอาจจะไม่จช่พิจารณาเรื่องอสุภาพอย่างเดียวพิจารณาเรื่องปฏิปุณของอาหารบ้าง เรื่องของความไม่เที่ยงของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างก็ได้สลับกันไปมันจะได้มีหลากหลายเรื่องให้เราได้พิจารณามันก็จะทําให้เราไม่เบื่อได้ถ้าเราดูอสุภาษอย่างเดียวมันก็อาจจะเบื่อได้แล้วก็เปลี่ยนดูความไม่เที่ยงของของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองงานที่เราทําอยู่สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีดับไปเป็นธรรมดา ก<อ>็พิจารณามันกว้างออกไปว่าอย่าอยู่กับอสุภะเพียง อ, อย่างเดียว filler. ถ้ามันเบื่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องแต่อย่าอย่าไปเข้าสมาธิพยายามมันมีเรื่องที่เราต้องพิจารณาเยอะแยะสิ่งต่างๆที่เราครอบครองไว้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทําอยู่มันก็เป็นของไม่เที่ยงมันก็อาจจะมีวันใดวันหนึ่งอาจจะหมดไปได้ โดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนก็ได้แต่ถ้าเราพิจารณาไว้ล่วงหน้าแล้วพอเกิดเกิดเหตุการณ์เหลนี้ขึ้นใจเราก็จะไม่เศร้าใจไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเรามันมันต้องเกิดเราเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันไว้ก่อนโดยรวมแล้วถูกมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะท่านอ า, าจารย์ไม่ได้หลงอะไรใช่ไหมก็ต้องสลับกันทำสองอย่างสมาธิครึ่งหนึ่งปัญญาครึ่งหนึ่งถ้าทําสมาธิอย่างเดียวเมันจะติดสมาธิ สมาี่มีไว้เป็นเพื่อเป็นที่พักผ่อนของใจ <ฮะ S 1> หลังจากที่ไปทํางานทางปัญญาแล้วใจกิอาการเหนเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้นมาก็กลับเข้าไปพักในสมาธิา <ฮะ S 1> ถ้าพิจารณาปัญญาอย่างเดียวไม่เข้าสมาธิเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ <ฮะ S 1> พอใจฟุ้งซ่านก็ต้องใช้สมาธิอยุดมั น, นแต่ถ้าใจยังไม่ฟุ้งซ่านก็อย่าเพิ่งเข้าสมาธิเอามาทํางานให้เห็นปัญหาให้เห็นตายละให้มากที่สุดเท่าที่จะเห็นได้ เหนทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของของเราวันใดวันหนึ่งก็จะต้องจากเราไปพิจารณาร่างกายในรูปแบบหนึ่งก็ได้พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมน้ําที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ําอาหารของแข็งทั้งหลายเช่นข้าวผักนั่นก็เป็นธาตุดินธาตุไฟก็ได้จากความร้อนของแสงอาทิตย์ แล้วก็ความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายพอมีความร้อนพอสมควรดินน้ำลมไฟพอสมควรมันก็มามากลายเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเลือดเป็นฟันเป็นหนังไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะหยุดทางานถ้าร่างกายนี้ดินน้ำลมไฟมันก็จะแยกออกจากร่างกายไปสิ่งที่ไปก่อนก็คือลมพอไม่หายใจเข้าลมก็หมดไปแล้วตามมาก็ไฟร่างกายก็เย็น แล้วตายมาทีกันน้ําน้ําก็ไหลออกมาแล้วต่อไปร่างกายก็แห้งกรอบไปเห็นแต่กระดูกเห็นแต่น้ำน้ําที่มันแห้งกรอบเอาไว้ย้อที่แห้งกรอบทิ้งต่อไปมันก็ผุกลายเป็นดินไปนะพิจารณาแบบนี้บ้างก็ได้จะ ไ, ได้เห็นว่าธรรมชาติของร่างกายที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ดินน้ำนมใส่ไม่มีตัวเราของเราเ้า อ, อยากจะรู้ว่าตัวเราเราเป็นร่างกายก็บางคนหาในอาการ32ดู ้เราอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ผมอยู่ที่ขนอยู่ที่ฟันอยู่ที่เล็บแล้ว อ, อยู่ที่ปอดที่ตับเราค้นหามันก็ไม่ใช่เราทั้งนั้นปอดก็เป็นปอดตับก็เป็นตับเราไม่มีในร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปวิตกกังวลไปคิดว่าเราเป็นร่างกายต่อไปมันมีหลายวิธีการพิจารณาต้องแยกต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างไม่ใช่อแต่เรื่องอย่างเดียวอย่างเียมันองานจะเบื่อได้ ถ้าเบ๋่ก็เปลี่ยนเรื่องท่านถ้าฟุ้งซ่านก็หยุดคิดแล้วก็ไปพักในสมาธิล้วพอออกจากสมาธิมาก็ถามตอบไปหน่อยค่ะขอบคุณค่ะหมดคำถามค่ะค่ะที่ว่าหายเป็นใหญไม่เห็นเล้โอเคไม่เป็นไรวันไหนว่างๆเอาไว้เข้าไปทักกันหน่อยก็ไดนะ้เรายังอยู่ย <laughs> ปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะมาเยี่ยมบ้าน ก, กี่วั น, นะมาสามอาทิตย์ค่ะโอเคนะครัวทุกปฏิบัติต่อไปนะระหว่างอุบายแห่งสมาธิให้บริกรรมพุทธโธไปสวดมนต์ไปดูลมหายใจเข้าออกไปกับ อุบายแห่งวิปัสนาให้พิจารณาดูร่างกาย32 2สองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีต่างกันอย่างไรเพราะผมเป็นผู้มีความรู้ทางธรรมน้อยกราบขอเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยอธิบายแบบละเอียดด้วยครับอันตอนต้นคำถามเนะี่ยอ่านไหม เป็นอุบายแห่งสมาธิที่ให้บริการพุทโธสวดมนต์ดูลมหายใจกับอุบายแห่งการเจริญวิปัสสนาให้พิจารณาดูร่างกาย32ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ อ, คอุบายของสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้เย็นสบายหให้นิ่งให้มีความสุขส่วนอุบายของวิปัสสนาคือการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความสวาม่างขึ้นประโยชน์ก็ต่างกันสมาธิให้ความสงบ ปัญญาให้ความสว่างให้ความรู้เพื่อที่จะเอาไปตัดกิเลสได้ตัดความหลงได้ผมอายุจะสิบสองปีปฏิบัติทมแบบจริงจังผ่านมาสองสามปีทำไมจิตใจคิดแต่ความเบื่อหน่ายทุกอย่างเห็น <He en S 1> ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกทุกอย่างไม่อยากมีชีวิตอยู่นานทำไมผมจึงคิดเช่นนั้นครับเพราะแก่ไง มันแก่มันก็คิดอย่างนั้นนะเพราะมันทำเป็นร้าเป็นหนุ่มมันไม่เคยคิดอย่างนี้หรอกเปนหนุ่มเป็นสาวมันไม่เชื่อว่าจะแก่พอแก่แล้วมันถึงรู้ว่าโอ้ยมันแก่จริงๆนะนี่ถ้ามันคิดอย่างนี้ก็ต้องหยุดคิดก่อนการปฏิบัติต้องหยุดความคิดก่อนเพราะถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้มันจะไปคิดในเรื่องที่จะทําให้เราทุกข์นั่นเราต้องหยุดความคิดด้วยการฝึกสติอย่างที่บอกให้ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วให้นั่งสมาธิให้ใจสงบ พอใจ ส, สงบแล้วจะมีความสุขเราจะมีความรู้สึกว่าถึงแม้เราจะแก่เราก็ยังมีความสุขได้แล้วต่อไปแล้วเราก็จะได้ใช้ความสงบนี้มาสู้กับความทุกข์ได้ต่อไปเอาใบความแก่แเราก็ต้องยอมรับมันสารว่าร่างกายมันเป็นอย่างเนี้ยมันแก่ก็จะแก่ไปแต่ใจเราไม่ได้แก่ไปกับมันใจเรายังแข็งแรงเป็นเหมือนหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังมีความสุขได้เหมือนตอนที่ร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ <sm all> ต่อไปนี้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วเรามาพึ่งใจแทนมาพึ่งสมาธิแทน เวลานั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งใจเบาว่างและอยู่กับความนิ่งนี้ได้นานขึ้นแต่ถ้านึกพุทโธไปเรื่อยๆทีๆจะนั่งต่อไปได้อีกแต่ไม่นานขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะถ้ามันนิ่งก็ไม่ต้องพุทโธได้ก็ไม่ต้องพุทโธแต่พอมันจะเริ่มไม่นิ่งมันเริ่มอยากคิดเริ่มอยากจะลุกถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องใช้พุทโธต่อไปแล้วพุทโธได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ความพยายามของเรา ถ้าเราอยากจะนั่งให้นานต่อไปเราก็ต้องฝืนบังคับให้มันพุโทโธให้มากให้นานให้ได้ถ้าไปถึงขีดหนึ่งแล้วพอความอยากมันก็ความอยา ก, ก่าอาจจะหยุดไปพอความอยากหยุดไปก็จะนั่งต่อไปได้มันจะสงบต่อไปได้แต่ในช่วงที่มันอยากจะลุกแล้วเราเราก็ต้องใช้พุโทโธพยายามห้ามมันไม่ให้มันลุกขึ้นมามีสองคำถามเจ้าค่ะสติที่แท้จริงคืออะไรเจ้าคะ คือการรู้อยู่ในปัจจุบันนี่สักแต่ว่ารู้ใจไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตให้รู้อยู่ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ยโยมเป็นคนชอบเดินชนนู่นชนนี่ตลอดเวลาแสดงว่าไม่มีสติใช่ไหมแล้วโยมจะรู้ได้อย่างไรว่าโยมมีสติอยู่ตลอดเวลาเจ้าคะเ็าไม่ชนอะไรเงไม่เหนือไม่ชนอะไรรู้อยู่รู้รู้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลา ร่างกายเดินไปไหนเมื่ก็ต้องรู้สิที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไปคิดเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้ไปเราเดินไปเดินไปแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็เดินไปชนคนนั้นคนนี้เพราะใจไม่ได้อยู่กับร่างกายเหมือนกับขับรถเนี่ยขับรถไม่ได้อยู่กับการขับรถไปคิดถึงเรื่องนเรื่อง น, นี้ก็ไปชนกับรถคันนั้นรถคันนี้เพราะไม่มีสติ โยมไปใส่บาทและอยากถวายปัจจัยโยมควรใส่ซองวา ง, วางปัจจัยบนฝาบาทหรือยื่นให้แก่ผู้ติดตามพระอาจารย์จึงจะถูกต้องเจ้าคะาตามพระวินัยก็ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้แต่บางคนเขาไม่รู้ก็เลยอนุโลมกันให้เขาใส่ฝาบาทแล้วให้ลูกศิษย์หยิบออกไปทิ้งเพราะบางทีคนก็อยากจะถวายกับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่รับไปให้ลูกศิษย์ก็คิดว่าเป็นของลูกศิษย์ไป ก็เลยบางทีก็ต้องให้ต้องถวายกับอาจารย์นะอาจารย์ก็มีฝาบาตรก็ใส่ไปก็ได้พอวางตบลูกศิษย์ก็หยิบไปอยู่ดีก็ฝากอยู่กับลูกศิษย์แต่อย่างน้อยอนให้ลูกศิษย์ได้ได้ให้แล้วให้ให้อาจารย์แล้วไม่ได้ไปให้ลูกศิษย์เขาไม่รู้ท่าเองในกรณีเสซนยินยอมถอดเครื่องช่วยหายใจจะเป็นบาปไหมเจ้าคะให้บาปเป็นการหยุดรักษาเหมือนกับหยุดกินยาเครื่องหายใจก็เป็นยาอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องรักษาอย่างหนึง่งดังนั้นถ้าเราไม่ไม่ใช้มันก็เท่าของการเราหยุดหยุ ด, ย ด, ย ด, ยดรักษาพยาบาลไปไม่ได้ไปทำให้ร่างกายตายไม่ได้ไปค่าร่างกายถ้าเราต้องได้ยินคนเขาว่ากระทบเราอยู่เสมอเสมอเราต้องทำอย่างไรให้เราสงบได้เพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกระทบกันเจ้าค่ะหาชอบนลย ถ้าเจ้ามคนเขาด่าเราเวลาเ็าด่าเราเราก็จะดีใจวันนี้มีคนมามาด่าเราที่เราทุกเพราะเราไม่ชอบตท่นั้นเองทําพยายามชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราจะสบายใจแล้วพยายามอยากไปชอบในสิ่งที่เราชอบเพราะเวลาเราชอบแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบเราจะเสียใจต้องพยายามพลิกแก้แก้เกณฑ์กิเลสก็เรียกว่าย้อนสอนกิเลสกิเลสชอบเราต้องไม่ชอบกิเลสไม่ชอบเราต้องชอบ เดินจงกรมควรเดินเร็วๆหรือเดินช้าๆเจ้าคะ่ะแล้วแต่ความเหมาะสมบางทีจิตง่วงนอนก็อาจจะเดินเร็วหน่อยเพื่อกระตุ้นไม่ให้มันง่วงแต่ถ้ามันไม่ง่วงมันสบายๆเราก็เดินสบายๆก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ภาวะของจิตใจว่าต้องการให้เดินช้าหรือเดินเร็ว สามีภรรยาอยู่ด้วยกันมา25ปีแล้วเลิกกันผู้ชายชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเหมือนมีกรรมหนักส่วนผู้หญิงเฝ้าคิดแต่โทษตัวเองเอจะทำอย่างไรให้คนผู้หญิงพ้นทุกข์และมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้ฝ่ายชายพ้นกรรมได้เจ้าคะ่ะก็ไปบวชกันทั้งกูนน่ะ ก็มีลูกศิษย์หลวงหลวงปู่มั่นรวมหนึ่งพระอาจารย์พรมท่านกับภรรยาก็มีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองแต่ไม่มีลูกแล้วก็อยากจะออกบวชท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านใครต้องการนาก็มาขอนาไปใครต้องการบ้านก็เอาหน้าบ้านไปใครต้องการวัวควายก็มารับไปท่านจะไปบวชกันทั้งครูก็ไปออกบวชหลวงปู่มผรหมท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นจนท่านบรรลุเป็นพระหลัง ส่วนภรรยาท่านก็ไม่ทราบข่าวเพราะไม่ได้ไม่มีการเล่าให้ฟังแตการไปบวชนีนะ่เป็นวิธีที่จะแก้ดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทำไมพอเวลาลูกเดินมาทางธรรมแล้วเจอกิเลสแล้วก็สอบตกเจ้าคะเพราะว่าพอ ร, รู้ว่าคู่ครองนอกใจตอนนี้จิตใจก็ไม่เป็นปกติขอทางสว่างให้กับลูกด้วยเจ้าคะ่ะขาดการทำงานบ้านมาก่อนเนี่ย เราไม่ทําการบ้านไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเขาจะนอกใจเราพอเจอข้อสอบเข้าเราก็เลยทําข้อสอบไม่ได้แต่ถ้าเราทําการบ้านไว้เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะชีวิตคู่นี่คนเราใจเปลี่ยนได้นักเราวันนี้อาจจะเปลี่ยนไป็นนักคนอื่นก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆพอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะไม่ไม่ตกใจไม่เสียใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องข้อสอบมันจะต้องออกมาอย่างนี้เราก็ตอบไปได้เลย ต้องเป๊ะเลยหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วโยมสามารถแผ่เมตตาให้กับคนที่ยังไม่ตายได้ไหมเจ้าคะไม่ได้ละต้องแผ่ตอนที่เจอหน้ากันไม่ใช่ตอนที่นั่งอยู่คนเดียวเวลาเจอกันก็เอาขอ ง, เ อ, ของเอาขนมไปฝากเขาแล้วแผ่เมตตาหรือเจอหน้าเขาแล้วยิ้มแย้ยิ้มแ ย, ย้มยทักทายเขาาสบายดีหรือไม่ใช่หน้าหน้าเบื้องตึงใส่เขา การแผนเมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดการสวดนี้เป็นการฝึกสติหรือเป็นการสอนใจเตือนใจให้เรามีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ให้เราหลงเราให้เราลืมเท่านั้นเองแต่เวลาแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ด้วยการกระทำเวลาเจอใครเวลามีอะไรกระทบกระทั่งกันเกิดความโกรธเขาขึ้นมาก็ต้องให้อภัยเขาเรียกว่าแผ่เมตตา ถ้้าาาา้าาาาาาาเเเเเเหหห็็นนขขตออองกกกกรรรคววววมมชช่่่่ยยยลลืืีีแผเมตตผเจริญสติภาวนาแล้วเกิดความฟุ้งซ่านจึงเพ่งคําบริกรรมให้ชัดขึ้นและเข้มข้นขึ้นเหมือนออกเสียงในใจแต่ทําแล้วไม่เกิดความสงบรู้สึกว่าลิ้นและลมหายใจจะขยับตามการเพ่งนั้นผมควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อจัดการกับความฟุ้งซ่านครับตอนเดินหรือตอนนั่งอยู่ ตอนนั่งเจ้าค่ะตอนนั่งสติเรามีกําลังน้อย<ม>ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเราก็ต้องพยายามนั่งให้นานขึ้น<ม>ถ้ามีสติมากขึ้นมันก็จะนั่งได้นานขึ้นเราจะสงบได้ง่ายขึ้นถ้ามีสติน้อยมันก็จะหยุดความคิดได้ได้ยากง<ม>ั้นก่อนจะที่จะมานั่งต้องพยายามฝึกสติก่อนให้มากๆพยายามฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย